ถึงวันหยุดวันพระอย่าได้ขาดอย่าประมาทในธรรมหาเหตุผลสรนเวลาฟังธรรมนำกระมนไม่สับสนเมื่อฟังธรรมตามการมงคลที่26กาเลนาธรรมสวนังการฟังธรรมตามการ คือในการใดที่จิตใจประกอบด้วยความฟุ้งซ่านหรือมีความวิตกกังวลเข้าครอบงำจิตใจก็จับไม่ผ่องใสต่อเมื่อได้ฟังธรรมแล้วจิตใจของเราก็ย่อมจักสายสว่างไม่หมองมัวเสียงธรรมเป็นเสียงสุภาสิทธิชอบธรรมชอบวินยัยชอบกฎหมายเป็นเสียงได้จริงมีประโยชน์แสดงเหตุผลให้แจมแจ้งตามเป็นจริง ทำให้ผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องผู้ฟังชอบพอรักใคร่ไม่รู้เบื่อหน่ายดุดว่าได้ดด่มน้ำพึ่งอย่างดีและชักนำให้ผู้ฟังมุ่งมั่นที่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบตามกําลังความสามารถของตนของตนการฟังโดยทั่วไปนั้นย่อมได้ประโยชน์เมื่อผู้ฟังมีสติตั้งใจฟังเพราะจะทาให้เกิดปัญญา แต่จกไรรประโยชน์แก่ผู้ไม่ตั้งใจฟังดังมีพุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งรับรองว่าผู้ตั้งใจฟังย่อมได้ปัญญาในส่วนของการฟังธรรมก็เช่นกันเราผู้ฟังธรรมเมื่อมีผู้มาแสดงธรรมบรรยากาศธรรมหรือปาตกถาธรรมเป็นต้นตั้งใจฟังเพื่ออบรมจิตให้เกิดศรัทธาในคุณพระรัตนตรยัย และให้เกิดความสังเวชสลดใจเพราะศรัทธากับสังเวชนั้นเป็นอุบายชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและปราศจากบาปธรรมอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจอันหนึ่งในการใดมีโอกาสที่ได้ฟังธรรมเช่นอยู่ในสถานที่อันมีการฟังธรรมหรือพบปะผู้ที่มีความรู้ผู้มีปัญญาพึงอยู่ที่จะได้สะดับฟังธรรม ไม่ทิ้งโอกาสในการฟังธรรมนั้นเสียเพราะการฟังธรรมนั้นมีประโยชน์เป็นอันมากแล้วแต่ว่าผู้ฟังจะถือเอาประโยชน์ในแง่ใดก็ได้ทั้งนั้นอันจะทำให้เกิดอนิสงฆ่าประการดังนี้หนึ่งย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองสิ่งใดได้เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดส บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ 5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสสรุปความก็คือว่าการฟังทำนำให้เกิดปัญญาชักพาจิตให้ผ่องใสในคราวมีทุกข์ภัยเข้ามาท่วมทับเฉพาะก็แต่สำหรับผู้มีมนาสิการผู้เอาใจใส่ในการฟังเท่านั้น ยกเว้นสำหรับผู้ไม่เอาใจใส่ในการฟังธรรมนั้นก็จกพลาดจากประโยชน์ที่พึงจะได้รับซ้ำเมื่อแลเห็นว่าการฟังธรรมไม่มีผลดังที่บางคนมักจะกล่าวว่านั่นเป็นหน้าที่ของคนเฒ่าคนแก่หรือผู้สูงอายุเท่านั้นไม่ใช่สำหรับเราแล้วทำตนให้เหินห่างจากการฟังธรรมทำให้ดูหน้าอนายิ่งนัก ที่พากันคิดเช่นนั้นในฐานะที่พวกเราทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาผู้หวังผลคือความเจริญแห่งตนจึงควรที่จะฟังธรรมตามการโดยเป็นโอกาสสามารถที่จะให้เกิดผลสวัสดีเพราะการฟังธรรมเป็นบรรทัดฐานแห่งความดีทั้งปวงด้วยเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสการฟังธรรมตามการ เป็นมงคลประการหนึ่งพึงเลือกเฟ้นธ ร, รมโดยแยบคายผู้ตั้งมั่นในศ ร, ร, รัทธาเป็นผู้เกื้อกูลแก่คนทั้งปวงความอดกลั้นมั่นดีทวีเดชนั่นคือเหตุทีระชนทุกคนเผยว่าสวัสดีศรีสงาพาสเบยน่าชมเชยความทนของคนดี มงคลที่27ขันติจะความอดทนคำว่าอดทนหมายถึงบึกบืนอดใจมีขันติความอดทนจัดประเภทได้เป็นสามได้แก่อดทนต่อความลำบากตรากตรําในหน้าที่การงานเป็นไปด้วยวิริยะอุตสาหามีแต่จะบากบั่นก้าวไปข้างหน้าไม่ถอยกลับอันเป็นลักษณะแห่งคนขยันหนึ่งอดทนต่อความเจ็บใจต่าง อันเกิดขึ้นเพราะความกระทบกระทั่งจากผู้อื่นหนึ่งอดทนต่อทุกขเวทนาในเวลามีพยาธิทุกขต่างๆเข้าครอบงำหนึ่งหรือจะกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าอดทนต่อทุกขอันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภความโกรธความหลงก็ได้บุคคลจะประกอบกิจการใดๆก็ตามเมื่อขาดความอดทน กิจการย่อมไม่ประสบความสำเร็จดังที่ท่านแสดงลักษณะคนเกียจคร้านว่ามักให้อ้างว่าหนาวนักว่าร้อนนักเวลาเย็นนักแล้วดังนี้เป็นต้นคนเช่นนั้นย่อมคลาดจากประโยชน์ต่อผู้ไม่เอื้อเฟื้อต่อหนาวร้อนและแดดฝนสู้ทนตรากตรำย่อมนำกิจการให้ลุล่วงไปด้วยดีนี้จัดว่าเป็นขันติ ประเภทหนึ่งมีคำกลอนกล่าวคันติดังกล่าวว่าคนอดทนความหนาวและผ่าวร้อนให้ไม่ย่อนกว่าย่าพฤกษาเขียวมุ่งทากิจคิดสู้อยู่อย่างเดียวคนนั้นเที่ยวเสวยสุขทุกวันเอยอยอหนึ่งบุคคลอันพยาธิทุกเข้าครอบงามรู้จักอดทนได้ ไม่กระวนกระวายนำความสบายให้เกิดแก่ตนได้ตามความสามารถไม่เป็นที่น่าอนาถแห่งผู้เยี่ยมพยาบาลตั้งอยู่ในฐานแห่งความสงบบัณฑิตสารเสริญว่าเป็นผู้อดกลั้นต่อทุกขเวทนาฝ่ายผู้ขาดขันติแม้โรคน้อยก็ปรากฏประดุดว่ามากทําความลําบากให้เกิดแก่ตนและผู้อื่นโดยใช่ที่ ผู้ที่ตั้งอยู่ในขันติประเภทนี้นั้นจัดว่าอดทนต่อทุกอันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเพราะว่าเมื่อไม่อดทนต่อทุกขเวทนามักจกชักพาให้สติฟันฟ่นเฟือนนี้จัดเป็นขันติอีกประการหนึ่งทั้งสองประเภทนี้จัดเป็นปริยายะคือขันติโดยอ้อมส่วนขันติโดยตรงประสงค์ความอดทนต่อความเจ็บใจ ในเมื่อมีเหตุมากระทบกระทั่งคุณข้อนี้ย่อมชักพาบุคคลให้ดูงามเพราะเมื่อรู้จักอดรู้จักยัง้งไม่ผล้นผลันด่าตอบประหารตอบก็จะไม่แสดงกิริยาวาจาอันเสียความสุภาพไปฝ่ายผู้ที่ผลินผลันไม่ยั้งได้จะรู้สึกละอายเมื่อภายหลังเมื่อความโกรธสงบลงแล้วด้วยได้แลเห็นความหยาบของตน ผู้อบรมตนอยู่ด้วยขันติย่อมเป็นผู้ไม่มีภยัยไม่มีเวรต่อใครๆเป็นเหตุให้ความพยาบาทไม่มีแต่ขันตินี้เมื่อกล่าวตามวิสัยแห่งสามัญปุถุชนแล้วก็นับเป็นของยากคือยากที่จะอดทนได้ในระหว่างบุคคลผู้สูงกว่าหรือผู้เสมอกันก็พอทำเนายิ่งในระหว่างที่บุคคลที่ต่ำกว่าตนแล้ว ยิ่งยากมากเพราะถ้าอดทนได้ก็รู้สึกว่าประดุจตนเป็นคนเลวย่อมไม่จำนนไม่โตอตอบแต่ในพระาศาสนาท่านกล่าวยกย่องว่าความอดทนในระหว่างบุคคลผู้เลวกว่าเป็นขันติอย่างสูงเพราะยากนักที่จะทำได้พระบรมโพธิสัตว์กล่าวไว้ว่าบุคคลอดได้ซึ่งถ้อยคำของผู้ประเสริฐกว่า โดยอำนาจวาสนาก็เพราะความกลัวอดทนซึ่งถ้อยคำของคนเสมอกันก็เพราะกลัวต่อเหตุให้ยืดยาวไปแต่ผู้ใดอดได้ซึ่งถ้อยคำของคนเลวกว่าตนได้สัตบุรุษสระเสริญความอดทนนั้นว่าสูงสุดคันติเป็นของยากที่บุคคลจะทำได้ท่านเทียบไว้ด้วยความชนะสงครามรงตามพาษิทว่า บุคคลผู้โกรธตอบเขาจัดว่าไม่ดีกับตนเองแต่บุคคลผู้ไม่โกรธตอบชื่อวชนะสงครามที่ยากจะชนะได้บุคคลจะเป็นผู้ดำรงในขันติได้ก็ด้วยผู้มีอัธยาศัยสงบส ง, งียมยินดีอยู่ในทางนั้นด้วยเห็นว่าเป็นความดีในที่จะทำได้เมื่อทำไปรู้สึกแช่มชื่นว่าตนทำสมควร นี้เป็นลักษณะแห่งโสรจ่าอันเป็นเครื่องพยุงขันติให้มั่นอีกนายหนึ่งท่านแก่โสร จ, จ่าว่าสมัญญะคือความสำรวมได้แก่ความคุมสติให้อยู่ในทางนั้นขันติโสร จ, จ่า น, นี้เมื่อประมวลเป็นธรรมสามคีย่อมทําให้บุคคลเป็นผู้งามแต่ไม่ใช่งามอย่างเครื่องประดับ าว่าเป็นความงามอันสมลักษณะแห่งบันดิตขันตินี้นอกจากจะเป็นความดีดังที่กล่าวมาแล้วยังเป็นต้นทางให้ได้ประสบผลคือความดีอื่นๆยิ่งขึ้นไปเช่นจะอยู่ในสำนักแห่งผู้ใดรู้จักอดทนต่อโอวาทที่ท่านให้ได้ประสาทสั่งสอนไม่โกรธไม่โตตอบ ในเมื่อท่านใช้โอวาดอันรุนแรงด้วยความหวังดีก็ย่อมเป็นสีย่อมเป็นมงคลอยู่แก่ตนเองขันติเป็นพื้นฐานของคุณคือศีลและสมาธิแม้แต่กุศลทั้งปวงก็เจริญด้วยขันติขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราดพระเดชของผู้ภาคเพียรตัดรากฐานของบาปได้ทั้งหมดย่อมยังให้ผู้ประพฤติขันติ เป็นผู้มีลาบมียศมีสุขเสมอด้วยเหตุนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสขันติความอดทนว่าเป็นมงคลความเจริญผู้มีขันติเป็นผู้มีมงคลความอดทนห้ามไว้ได้ซึ่งความผลผลันผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่น คนว่านอนสอนง่ายมีคนรักแจ้งประจักษ์ทำดีมีคนเห็นอยู่ที่ไหนได้ดีไม่ลําเค็นยกประเด็นว่าง่ายเป็นมงคลมงคลที่28โสซวะสัจจตาความเป็นผู้ว่าง่าย ความว่าง่ายได้แก่ความยินดีเคารพโอวาดโดยชื่นตาชื่นใจไม่เป็นคนกระด้างดือ้อดันขันแข็งด้วยอำนาจทิฐิมานะความว่าง่ายเป็นคุณธรรมที่สมควรแก่คนทุกชั้นทั้งผู้ใหญ่ผู้เสมอกันและผู้น้อยพึงถือปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า เป็นธรรมอันธรรมที่พึ่งเพราะผู้ว่าง่ายอาจจะยึดหาที่พึ่งได้โดยสะดวกอันบุคคลผู้เป็นที่รักเมตตาปราณีแห่งผู้ใหญ่ก็ด้วยอาศัยคุณสมบัติมีในตนมีความว่าง่ายเบื้องต้นประการหนึ่งก่อนถ้าขาดคุณข้อนี้แม้ว่าจะมีความดีประการอื่นก็ยังหาที่พึ่งยากเพราะใครเล่าจะรักใครผู้ดื้อรั้นนอกจากนั้น ความว่าง่ายยังนำให้ประสบผลประการอื่นเช่นเป็นเหตุให้ได้รับโอวาทอันดีงามนำพาตนให้รุ่งเรืองด้วยความรู้สามารถที่จะละโทษยึดถือคุณประโยชน์ไว้ได้อาจารย์ผู้ได้สิทธิ์ว่าง่ายย่อมเบาใจในการสั่งสอนเป็นเหตุให้อุสาหะที่จะบำเพ็ญหน้าที่แห่งอาจารย์ยิ่งสิทธิ์เป็นงานเป็นการก็ยินดี หาน้อยไมแต่ถ้าสิบเป็นคนเหลวไหลไม่เอื้อเฟือ้อก็ทำให้เบื่อและยออ่อท้อผู้ใหญ่ที่ตั้งอยู่ในฐานะปกครองคนตั้งต้นแต่ผู้ใหญ่ในสกุลจนถึงสูงสุดถึงพระราชาธิบดีเมื่อได้บุตรนัดดาที่ว่าง่ายหรืออมารร่วมใจในการงานก็ย่อมจะรุ่งเรืองประเทืองสุข ไม่ต้องทุกข์เพราะอึดอัดหรือคับใจถ้าได้บุตรนัดดาที่เป็นคนว่ายากหรืออมาาไม่ร่วมใจในกิจการย่อมจะอึดอัดเดือดร้อนความว่าง่ายแม้จัดว่าเป็นส่วนข้างดีแต่ก็ยังมีส่วนข้างชั่วเข้าแอบแฝงได้บ้างเช่นบุคคลผู้มุ่งหวังลาบยศด้วยความโลภประจบประแจงผู้ใหญ่ ใหชอบด้วยหวังผลที่เกินตัวคนเช่นนั้นก็มีลักษณะเป็นคนว่าง่ายแต่เป็นฝ่ายข้างผิดธรรมไม่เข้าลักษณะแห่งความว่าง่ายที่เป็นมงคลแต่ถ้าผู้ที่ว่าง่ายโดยชอบทำไม่ใช่ที่ประจบประแจงเพื่อหวังผลจึงจะจัดว่าเป็นผู้ว่าง่ายในมงคลนี้อันหนึ่งบุคคลที่จะทาตนให้เป็นคนว่าง่าย ยังจะต้องใช้การพิจารณาให้อย่างทราบว่าผู้ที่ตนจะยอมอยู่ในโอวาทนั้นเป็นคนเช่นไรไม่ควรยอมมอบตนง่ายๆเพราะถ้าอยู่ในโอวาทอันผิดธรรมก็จะนําให้เสียผลแต่ถ้าเห็นว่าโอวาตเป็นธรรมแล้วแม้ว่าผู้ให้โอวาตจะมีฐานะต่ํากว่าตนก็ไม่ควรมีทิฏฐิมานะโดยสถานใด พึงเห็นผู้ให้โอวาตเป็นประดุษผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้เคารพรับโอวาทนั้นโดยชื่นตาชื่นใจก็จะเป็นไปเพื่อสวัสดิมงคลผู้ประพฤติตนเป็นคนว่าง่ายย่อมเป็นผู้จเจริญด้วยคุณงามความดีเป็นที่เอ็นดูและกรุณาปราณีของผู้ใหญ่เป็นที่น่าเคารพ บ, บูชาของผู้น้อยเป็นที่นับถือรักใคร่ของเพื่อนฝูง เป็นที่เมตตาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยด้วยเหตุดังกล่าวแล้วคนว่าง่ายจึงเป็นผู้ที่เจริญไปด้วยเกียรติศักดิ์เจริญด้วยลาบเจริญด้วยยศเป็นเหตุให้พัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าพระพุทธองค์ทรงตรัสความเป็นคนว่าง่ายว่าเป็นมงคลสําคัญอีกประการหนึ่งผู้มีจิตสงบมีปัญญาเครื่องรักษาตัวมีสติเป็นผู้เพ่งพินิจ ไม่มีเยื่อใยในกามย่อมเห็นธรรมโดยชอบการได้เห็นสมณะผู้ทรงศีลเป็นอาจินเช้าเย็นเป็นบุญนาเมื่อได้พบครั้งใดเกิดศรัทธาจะนำพาให้เรามีมงคลมงคลที่29 สมานานันจะทัดสนังการได้เห็นสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบระงับโดยเนื้อความว่าไม่เป็นฆ่าศึกต่อใครๆจะไปที่ใดก็ไปดีไม่ไปร้ายคือไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนมีแต่ชักนำในทางสงบสุขเพราะเหตุนั้นความได้เห็นสมณะท่านจึงจัดเป็นมงคล การรู้จักสมณะเป็นเบื้องต้นแห่งการเห็นสมณะเพราะเราจะเห็นสมณะได้จริงจึงต้องรู้จักตัวสมณะไว้เสียก่อนสมณะคือคนสงบทั่วไปทั้งนักบวชและคลือหัดชายหญิงคนเราจะเป็นเพศไหนชั้นไหนก็ตามถ้าเป็นคนสงบมีกิริยาสงบวาจาสงบและใจสงบ ก็เรียกว่าสมณะทั้งสิ้นต้องตามพระดำรัสที่ว่าคนที่ฉันเรียกว่าสมณะเพราะเป็นผู้สงบบาปน้อยใหญ่ได้ราบคาบทุกส่วนคนมีความริษยาละโมบหาเป็นสมณะไม่ลักษณะของสมณะมีสี่ข้อได้แก่สมณะไม่ทำอันตรายใครสมณะไม่เห็นแก่ลาบ สมณะต้องบำเพ็ญสมณะธรรมสมณะต้องบำเพ็ญตะบะการเห็นสมณะย่อมเห็นได้สามทางคือการเห็นด้วยตาเห็นด้วยใจและเห็นด้วยปัญญาการเห็นสมณะมีอยู่สองขั้นคือเห็นรูปร่างเป็นสมณะอันเรียกว่าสมณะบุคคลและเห็นคุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวสมณะ อันเรียกว่าสมณธรรมเราจะดูสมณะต้องดูให้เห็นทั้งสมณะบุคคลและสมณธรรมจึงจะเรียกว่าเป็นการได้เห็นสมณะโดยครบถ้วนด้วยเหตุเพราะว่าความเห็นเป็นเบื้องต้นแห่งการครบหาสมาคมเพียงแต่เห็นไม่ดีโยมเลื่อมใสนิยมยินดีก็ไร้ประโยชน์ เมื่อได้เห็นแล้วเข้าไปคบหาสมาคมฟังโอวาทและตรีตรองด้วยปัญญาอันชอบแล้วปฏิบัติตามนั่นจึงจะเกิดเป็นความงามเป็นความเจริญแก่ตนอันบุคคลผู้ได้นามว่าสมณะนั้นไม่ใช่เพียงแต่ทรงเพศบรรพชิตเท่านั้นถ้ายังประกอบกิจทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่จัดว่าเป็นสมณะเลยแม้ไม่สังวรตามกิ ก็ไม่จัดว่าเป็นสมณะที่ดีได้เหตุนั้นความเห็นในที่นี้จึงไม่เพียงแต่แลเห็นด้วยตาปกติหมายถึงเห็นด้วยตาของใจคื อ, อยังถึงคุณสมบัติแต่ไม่ใช่แสหาโทษในท่านในเมื่ อ, อยังไม่เห็นอาการอันน่ารังเกียจเมื่อได้เห็นท่านเบื้องต้นควรมีจิตเมตตา และต่อจากนั้นแสดงอาการกิริยาเคารพนับถือโดยสมควรเมื่อได้คบหาสมาคมเห็นคุณสมบัติพึงทาการครบหาอันหนึ่งการเห็นสมณะที่ถูกนั้นต้องเห็นถึงสองชั้นคือเห็นคนผู้เป็นสมณะและเห็นความดีในตัวสมณะนั้นถ้าเห็นถูกแบบเช่นนี้แล้ว ความดีจะปรากฏมีที่ใจของผู้เห็นในขณะเห็นนั่นเองกิเลสที่ห่อหุ้มจิตใจอยู่ก็จะคลายตัวออกและบางเบาลดน้อยลงไปทุกครั้งเพราะการเห็นสมณะย่อมเป็นปัใจจัยให้หลุดพ้นจากกิเลสทีละน้อยพระพุทธองค์จึงตรัสการเห็นสมณะว่าเป็นมงคลความเจริญของชีวิตประการหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าพูดทำความสว่างเกิดขึ้นในโลกพระองค์ย่อมประกาศธรรมสำหรับดับทุกนี้พูดและทำไกลกันตั้งพันยอดเปิดเผยโอดแล้วละเลิกทำเพิกเฉยคนเช่นนี้ความดีไม่มีเลยถ้าปากเอ่ยกายตามนั้นงามเปล่า คนที่สามสิบกาเลนะรรมัษกากัชา้าการสนทนาทมตามการบุคคลผู้ได้คบหาสมาคมกันย่อมมีการสนทนากันเป็นเบื้องต้นแต่การสนทนาถ้าเป็นเรื่องเหลวหลายไร้ประโยชน์เสียเวลาเปล่าทั้งเมื่อเวลาล่วงไปแล้วย่อมจะไม่ย้อนกลับหลังจึงน่าเสียดายอยู่ในเมื่อให้เวลาล่วงไปโดยไร้ประโยชน์ เว้นแต่คราวพักผ่อนพระพุทธองค์ทรงหวังจะนำบุคคลให้ใช้เวลาให้มีผลจึงแสดงมงคลข้อนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกาจัดการสนทนาให้สนทนาเฉพาะเรื่องที่เป็นธรรมดังพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายการสี่อย่างนี้เมื่อใครอบรมบ่มนิสัยเปลี่ยนแปลงตนให้ดีถูกชอบ ก็จะให้เขารูุถึงความสิ้นแห่งอสวะโดยลำดับนี่ภิกษุการ4ี่อย่างคือการฟังธรรมตามการสนทนาธรรมตามการเจริญสมรถาอบรมใจให้สงบตามการและเจริญวิปัสสนาฟอกใจให้รู้จริงเห็นจริงตามการการทั้งสี่อย่างนี้แลภิกษุเมื่อใครอบรมบ่มนิสัยเปลี่ยนแปลงตนให้ดีถูกชอบ จะให้เขารู้ถึงความสิ้นแห่งอาสวะโดยลาดับการสนทนาทำตามการจัดเป็นมงคลอันอุดมเพราะเมื่อได้คบหาสมาคมกับท่านผู้รู้มีโอกาสให้ได้สนทนาเป็นทางชักพาให้เกิดความรู้ความฉลาดตามความสามารถที่จะเป็นได้ในคราวที่มีจิตเหงาหงอยฟุ้งซ่านลังเลไม่แน่ใจการสนทนาธรรมก็จะเป็นเครื่องปลอบ หรือปราบวินิจใจให้เที่ยงตรงในทางที่ถูกได้เพราะในขณะที่สนทนาธรรมอยู่กิเลสอันเกิดจากความหดหู่ที่ทำให้ใจหดหู่ความฟุ้งซ่านที่ทำให้ใจฟุ้งซ่านและความลังเลสงสัยที่ชักใจให้เควไปนั้นก็จะระงับลงได้การนาเรื่องธรรมต่างๆที่แต่ละคนได้เห็นได้ฟังมาสนทนากัน ย่อมเป็นอุบายถ่ายความรู้แก่กันและกันช่วยให้มีความรู้กว้างขวางเป็นการส่งเสริมให้เจริญปัญญาต่างคนต่างคิดหาเหตุผลและนำความรู้ของตนมาแสดงแล้วก็ให้แต่ละคนมีความฉลาดรอบรู้ไม่เว้นแม้การสนทนากันด้วยเรื่องคดีโลกให้ทราบเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความเสื่อม ที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเพื่อหาทางแก้ไขเหตุเสื่อมให้หมดสิ้นไปหาทางส่งเสริมเหตุเจริญให้มันก้าวหน้าจนเกิดความฉลาดรอบรู้ถึงเหตุนั้นๆจะช่วยให้ปกครองตนเองในหมู่คณะไม่ให้เสื่อมและสามารถจะรักษาตนและหมู่คณะให้ตั้งมั่นเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อานิสงค์ของการสนทนาธรรม จึงมีดังนี้ได้ศึกษาหาความรู้ทางธรรมได้ทบทวนความรู้เดิมให้แตกฉานบำบัดความสงสัยในการทำดีละชั่วดัดทิฏฐิความเห็นของตนให้ถูกตรงถูกทางได้อุบายฝึกอบรมใจให้สะอาดหมดจดต่อไปการสนทนาธรรมจึงเป็นวิธีการยกใจจากภูมิงโง่ขึ้นไปสู่ภูมิฉลาด จากภูมิชั่วสู่ภูมิดีนั้นจึงเป็นเหตุสร้างความฉลาดความหลักแหลมในเหตุเจริญเหตุเสื่อมพระพุทธองค์จึงทรงตรัสการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอันอุดมไม่ควรเสพธรรมที่เลวไม่ควรอยู่กับความประมาทไม่ควรเสพมิจฉาทิฏฐิไม่ควรเป็นคนรกโล ก, โลก Thank you.